ทั้งทรองเท้าที่ยากจนกาลครั้งหนึ่งในเมืองอาราซายังมีช่างซ่อมรองเท้าชื่อบรมบรมทำงานหนักตลอดทั้งวันเพื่อหาเงินจุนเจือปากท้องครอบครัวของเขาแต่ก็ได้เงินเพียงเล็กน้อยเสมอวันหนึ่งขณะที่บรมกำลังซ่อมรองเท้าคู่เก่าอยู่ มีชายคนหนึ่งมาหาเขา<ม>เขาเป็นชายตัวสูงแ่ะลึกลับสวมหมวกและเสื้อโค้ทยังไงเพื่อนฉันอยากจะขัดรองเท้าสักหน่อยแต่ไม่มีเงินเลยแต่ว่าฉันต้องรีบไปทําธุระด่วนที่สำคัญตอนนี้ช่างซ่อมรองเท้าเล็งเลที่จะช่วยเพราะยังไม่ได้เงินเลยทั้งวันแต่เขาก็ยินดีช่วยชายคนนั้นได้ครับผมจะช่วยวางเท้าไว้ ตรงขาตั้งตรงนี้เลยครับชายคนนั้นนั่งลงและปล่อยให้บลัมขัดรองเท้าของเขาจนมันสมบูรณ์แบบมันเงางามราวกับน้ำใสาภายใต้ความมืดของท้องฟ้าเสร็จแล้วครับดีมากเพื่อนฉันจะตอบแทนนายอย่างงามสำหรับความดีนี้ฉันเป็นนักเวทที่อยู่ในกระท่อมริมปา่าและฉันต้องไปพบพ่อมดคนสำคัญในเซนาลี นายน่ช่วยฉันได้ดีมากนักเวทขยับนิ้วของเขาและควันก็ออกมาแพ้ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าช่างซ่อมรองเท้าบรัมประหลาดใจมากนี่เป็นแพ้วิเศษถ้านายต้องการสิ่งใดให้พูดว่าแพ้เอ๋ยจงเขย่าตัวและนำโชคลาภออกมาและนายจะพบว่าตัวเองมีความสุขกับเงินทองมากมายพูดจบนักเวทก็หายตัวไปในทันที ว้าวขอทดลองสักหน่อยแพ้เอ๋ยจกขยาวตัวและนำโชคลาบออกมาเจ้าแพ้สั่นตัวเองทำให้มีเหรียญทองมากมายตกอยู่บนพื้นฉันซ่อมรองเท้าตกตะลึงมากโอ้พระเจ้าชายคนนั้นพูดจริงด้วยฉันฉันควรไปบอกกับครอบครัวเรื่องนี้บรามเก็บเครื่องมือของเขาและแบกแพ้แย่างดีใจเพื่อกลับบ้านขณะที่เขากาลังเดินไป เขาผ่านบ้านป้าของเขาอิงกริตที่อยู่บ้านใกล้ทุง่งเธอเห็นเขากาลังเดินพร้อมแพะบนหลังและเรียกเขาขึ้นมาเฮ่บรา姆เขามันนั่งกับป้าก่อนสิได้ไหมเขาคิดกับตัวเองว่าจะไปเนื่องกับเธอไหมเขาอยากจะวิ่งกลับบ้านเพื่อบอกภรยาเกี่ยวกับแพะวิเศษดิฉันหิวน้าแล้วก็เหนื่อยจากการแบกแพะบนหลังพอดีเลย งนเออฉันขอชาสักช่วยก่อนกลับบ้านก็แล้วกันนะบรัมเข้าไปในบ้านของป้าและวางแพะลงใกล้เธอก่อนจะเข้าไปเขาพูดว่าป้าจะทำอะไรก็ได้แต่อย่าพูดว่าแพะเอ๋ยจกขยาวตัวและนำโชคลาบออกมานะบรามนั่งรอให้ป้าของเขานำชามาใหา้ขณะที่เขากำลังรออิงกริดก็สงสัยว่ามันคืออะไรที่เขาบอกเธอไม่ให้พูดคาเหล่านั้นเธอไปที่ครัว ที่เก็บแพะและพูดคาถาเวทมนต์ขึ้นแพะเอ๋ยจกขย่าวตัวและนำชกลาบออกมาทัานใดนั้นแพะก็สั่นตัวเองและมีเงินมากมายหล่นบนพื้นโอ้ข้าเจ้านี่จะดีกับฉันมากฉันต้องหาวิธีหลอกหลวงเขาให้ได้เลยละ่ะอิงกฤษผสมสมุนไพรลงในชาของบรัมและเสิร์ฟให้กับบรัมมันทำให้เขาหลับในทันที ในขณะที่ช่างทำรองเท้าหลับเลือกลงไปอิงกฤษก็เข้ามาครอบครองแพะวิเศษเป็นของตัวเองเช้าวันต่อมาบรัมแดกแพะไปที่ไหล่และกลับไปยังบ้านของเขาเมื่อเขามาถึงบ้านเขามอบเงินแด่ภรรยาของเขานี่เอาเงินนี่ไปคุณจะได้จัดเตรียมอาหารสำหรับพวกเราภรรยาของเขาดีใจมากเธอไม่คิดจะถามเลยว่าได้เงินมาจากไหน และเธอก็ออกไปที่ตลาดหลังจากนั้นเขาก็ต้องการใช้คาถาเวทมนต์และเงินจากแพะมากขึ้นเขาพูดคาถาที่นักเวทบอกเขาแต่แพะก็ยังอยู่เหมือนเดิมรากับก้อนหินแปลกจังทำไมมันไม่ได้ผลล่ะก็พูดคาถาซ้ำๆแต่ก็เปล่าประโยชน์แพะไม่แม้แต่จะขยับฉันจะต้องใช้เงินอีกและครั้งก่อน มันก็เกือบจะหมดแล้วฉันจะต้องไปหานักเวทอีกละมั้งเนี่ยหลังจากไม่กี่วันภรรยาของเขาก็เริ่มจู้จี้เขาเพื่อให้ไปทํางานเพราะเงินเกือบจะหมดแล้วเขาจึงออกเดินทางไปพบนักเวทในที่สุดเขาก็พบกระท่อมของนักเวทเขาเข้าไปและคุยกับนักเวทแล้วบอกว่าเขาต้องการเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวนักเวทเป็นชายที่มีความเห็นอกเห็นใจ<ๆ>เขาจึงวางมือบนไหล่ของช่างซ่อมรองเท้าและพูดขึ้นว่า ไม่ต้องห่วงเพื่อนข้านี่คือผ้าวิเศษวางมันไว้ในแขนแล้วพูดว่าโอ้ผ้าวิเศษจงกลางออกและมอบงานฉลองและโต๊ะจะเต็มไปด้วยอาหารและเครื่องดื่มที่งดงามมากมายอยู่ตรงหน้านายบรัมมีความสุขที่ได้ยินนักเวทกล่าวเช่นนั้นเขาขอบคุณและกลับมาที่บ้านระหว่างที่ปลัมกำลังกลับบ้านผ่านป่า เขาได้มาถึงทุ่งที่ป้าของเขาอยู่และตัดสินใจที่จะแบ่งอาหารจากผ้าวิเศษให้เธอครั้งก่อนที่ฉันผ่านมาป้าใจดีและมอบชาให้ฉันดื่มฉันคิดว่ามันคงจะเหมาะที่ได้ตอบแทนอาหารคืนแก่ป้าบ้างโอ้หน่ารักมากเข้ามาสิและดังนั้นบรามจึงเข้าไปวางผ้าไว้ใ น, นแขนของเขาและพูดว่าโอ้ผ้าวิเศษจงกางออก และมอบงานฉลองและในทันใดโต๊ะที่สวยงามได้ปรากฏต่อหน้าของเขาพร้อมกับอาหารที่แสนอร่อยมากมายป้าอิงกริตตกตะลึงมากและถึงแม้เขาจะแสดงออกอย่างใจดีเธอก็ตัดสินใจหลอกช่างทารองเท้าอีกครั้งเธอผสมสมุนไพรลงไปในอาหารของเขาพวกเขากินอาหารจนอิ่มหนำอย่างพอใจและมีความสุขเท่ากับงานฉลองของราชวงศ์ ไม่นานช่างทารองเท้าก็รู้สึกง่วงและหลับไปอีกครั้งและขณะที่เขากำลังหลับอยู่ป้าของเขาก็เอาผ้าธรรมดามาแทนที่ผ้าวิเศษหลอกเขาอีกครั้งหนึ่งวันต่อมาบลํากลับไปที่บ้านและวางผ้าไว้บนแขนของเขาก่อนจะพูดคาถาเวทมนต์ออกมาครั้งนี้คาถาไม่เป็นผลและชายชารายืนนิ่งเหมือนกับหุ่นไล่กาที่กลางอาหารภรยามองมาที่เขาสงสัยว่าความจนคงทาให้เขาเป็นบ้า และเธอก็จากเขาไปเป็นไปไม่ได้ป้าต้องแก้บาอย่าง ก, กับข้าแน่เลยบราไปที่บ้านของนักเวทอีกครั้งเขาอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้พ่อหมดฝังและขอให้เขาช่วยอีกครั้งนักเวทเห็นใจมากจึงยอมช่วยและพูดขึ้นทำตาม ท, ที่ฉันบอกเอาคนนกวิเศษนี้ไปเมื่อนายกลับไปเจอป้าของนาย บอกเธอว่าคนนกนี้จะเติมเต็มความปรารถนาทุกอย่างดังใจหวังและบอกเธอให้พูดคาถานี้โอ้คนนกวิเศษมอบพรได่ข้าและทันทีคนนกจะจักระจีเธอไม่หยุดโอ้ขอบคุณมากครับท่านและจําไว้น่าจะหยุดมันได้แค่พูดว่าคนนกวิเศษข้าได้รับพร น, นั้นแล้วและการจักระจีจะหยุดลง บรมขอบคุณนกเวทอีกครั้งเขาจากมาและไปที่บ้านของป้าอิงกฤษเขามาถึงบ้านของป้าที่อยู่ในทุง่งและบอกเธอเกี่ยวกับคนนกวิเศษและในทันใดป้าได้ติดกับที่ช่างซ่อมรองเท้าวังไว้และพูดคาถาขึ้นโอ้คนนกวิเศษมอบพรเด็กข้าคนนกลอยขึ้นไปในอากาศและเริ่มจะ ก, กระี้ป้าในทันทีป้าอิงกฤษหัวระออกมาจนเธอไม่สามารถรับมันได้อีก หยุดนะหยุดเถอะได้โปรอดอฉันขำไม่ไหวแล้วลหะมีทางเดียวที่ผมจะหยุดมันให้ อ, อ, อะไรก็ได้ที่นายต้องการาฉันจะให้มอบให้นายาาถ้างั้นได้โปรดนำของของข้ากลับมาทั้งแพรวิเศษแล้วก็ผ้าวิเศษ ด, ด้วย ก็ได้โอเคพวกมันอยู่ในห้องครัวนะดังนั้นบัมจึงวิ่งไปที่ครัวหยิบผ้าและแบกแพะไว้บนบ่าเขาเอาออกมันมาจากห้องครัวและพูดว่าขนนกวิเศษก็าได้<ๆ>ดรับ<ๆ>พร น, นั้นแล้วและขนนกวิเศษก็หมุนรอบตัวเขาและทำให้เขาหายตัวไปและส่งเขากลับมาอย่างบ้านขเขากลับมาถึงบ้านโชว์แพะและผ้าวิเศษให้กับภรรยาของเขาดู เพระยาของเขาดีใจมากและกอดเขาในทันทีจากนั้นพวกเขาก็นั่งทานอาหารอย่างอิ่มเอมและปรึกษากันเกี่ยวกับวิธีที่จะใช้แพและผ้าวิเศษให้เกิดประโยชน์ที่สุดพวกเขาใช้เงินในการสร้างธุรกิจซ่อมรองเทา้าและใช้เงินส่วนใหญ่ไปกับการช่วยเหลือคนจนในเมืองและสาหรับป้าอิงกฤษขนนกยังคงอยู่ในบ้านของเธอและทำให้เธอช่วยเหลือคนจน และคนที่ต้องการความช่วยเหลือที่เธอเคยเหลอกเอาไว้